บทสวดมนต์ที่ดีมากนะก็คือบทธรรมบเช้านี่เองนะพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงชี้ให้เห็นถึงความที่ความเกิดนะเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์แล้วความตายก็เป็นทุกข์เนี่ยชี้ให้เห็นตรงนี้แล้วก็เห็นถึงความที่เราพัดผ้าจากสิ์ต่างๆก็เป็นทุกข์นะความประสบสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์เนี่ย จีเห็นความทุกข์ที่มันชัดเจนนะแล้วโดยเพาะอย่างยิ่ยงก็ทรงจีเห็นว่าอที่ตั้งแห่งความยึดมั่นก็คือขันนะขันที่ตั้งแห่งความยึดมั่นก็คือรูปนะขัดแห่งความที่ตั้ ง, งความยึดมั่นก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณนความที่เราไปยึดมั่น a, เนี่ยก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณ น, นี่เองนะสรุปในตรงนี้ว่าความยึดมั่นเนี่ยก็คือรูปนามหรือกายแลือใจ น, นี่เอง แล้วก็ทรงสั่งสอนสาวกทั้งหลายว่าวิธีการจิตละคายความยึดมั่นถือมั่นโดยการบอกว่ารูปก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงเนี่ยก็คือรูปนามหรือกายและใจนี่ก็ไม่เที่ยงนะแล้วก็ทรงสอนต่อไปว่ า, ารูปก็ไม่ใช่ตัวไม่ตนเวทนาก็ไม่ใช่ตัวไม่ตนสัญญา สังขารวิญญาณก็ไม่ให้ตัวเมตตนนะฮะก็คือรูปตนามหรือกายใจนี้ก็ไม่ให้ตัวเมตตนนะฮะเพราะฉะนั้นโดยสรุปตรงนี้ก็เป็นการที่เรียกว่าให้เราเห็นถึงรูปนามหรือกายใจเนี่ยไม่เที่ยงไม่ให้ตัวเม่ตนแล้วก็เห็นมันเป็นความทุกข์เพื่อที่จะไหล <c oughs> เพื่อที่จะเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามหรือในกายในใจนี่นั่นเองนะ เพราะนั้นบทสวดมนต์ตอนเช้าเนี่ยธรรมชาวเนี่ยเป็นการสรุปที่ดีมากเนียสรุปขึ้นมาเลยว่าไม้เรายึดมั่นถือมั่นในขันห้านี้นั่นเองเนะพอเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันห้า น, นี่ยมันก็จะได้ละคายแล้วก็ปล่อยแล้วก็วางใครความกำนัดไปทั้งหมดนะเพราะทุกอย่างมันเกิดจากการที่เราไปยึดมั่นในรูปนามนามขันห้าว่าเป็นตัวตนของเรานะมันก็ทําหน้าที่ของมันไปเราก็แค่รู้เท่านั้นเองนะ แล้วมันเราก็ไปติดในสมมุติทั้งหลายแหละเอออันนี้เราชื่อนายกนะคนนี้ชื่อนายขอคนนี้เป็นผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ชายนะนะผู้หญิงผู้ชายก็เป็นรูปเป็นนามทั้งหมดนะหรือแม้แต่สัตว์เดินฉานเป็นสุนัขเป็นเป็ดเป็นไก่มันก็เป็นรูปเป็นนามมันก็ไม่ <esse S 1> ต่างจากเราเราเป็นรูปเป็นนามเขาก็เป็นรูปเป็นนามนะเราก็ได้เห็นรูปเห็นนามในตรงนี้นะว่ามันไม่ไม่ต่างกันมันก็เรียลงมัเทียนลงมัเทียนนิด <c oughs> ตอนที่ได้ใหม่ๆท่านเห็นความคิดใหม่ๆ ใ, ในช่วงนั้นนะ่ะก็มีแมงป่องตกมาที่ขาท่านะแมงป่องมันก็ไม่ต่อยท่านท่านเลยพิจารณาเห็นว่าแมงป่องนั่นก็เป็นรูปเป็นนามตัวท่านก็เป็นรูปเป็นนามมันก็ไม่มีอะไรต่างกันเพราะฉะนั้นตรงนั้นจิตตรงนั้นก็เลยต่อยความยึดมั่นถือมั่นในรูปนามของตัวเองเพราะมันก็เหมือ น, อนกันศาสเตชานหรือเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการที่ละคายความยึดมั่นถือมัน่นในรูปนามในตัวนะ มันมองเห็นตรงนั้นชัดเจนเลยว่าสัตว์มันก็เป็นรูปเป็นนามเนี่ยตัวเราก็เป็นรูปเป็นนามมันก็เหมือนกันมันก็มีแค่รูปแค่นามไม่ใช่วันนี้คือเป็นพระเป็นหลวงม่เทียนเป็นบาสกอันนั้นเป็สัตว์เดชานมันก็ไม่ไม่ต่างอะไรกันเลยมีรูปมีนามเหมือนกันนะจีก็เลยละคายความยึดมั่นถึงมาในตรงนั้นจีก็เลยหลุดไปเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่ว่าเ อ, อ่อตรงนี้ บางทีเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่ากินเหลวเราไม่ได้ลดลงนะมันมีความโลภความโกรธความหลงเท่าเก่า <c oughs> ก็เพราะว่าเราไม่ได้เข้าถึงตรงนี้นั่นเองนะไม่ได้มาดูว่าเออจริงจริงๆแล้วสิ่งต่างๆเนี่ยเราไม่ควรที่ไปยึดมันทั้งหลายแหลกนะคนอื่นเขาก็เหมือนกันเรากขาป็รูปเป็นนาเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าใจในตรงนี้มันจะได้ละคายได้เร็วขึ้นก็คือต้องใช้ปัญญาบ้างนะปัญญาในการพิจารณาสิ่งต่างๆบ้างเนะี่ย ในะขณะเดียวกันความรู้สึกตัวเราก็ให้รู้ให้ต่อเนื่องกันนะมันได้เป็นการส่งเสริมกันในตัวว่าเออความรู้สึกตัวนะมันเป็นการที่จะละนะจากความคิดทั้งปวงกลับมารู้สึกเฉยๆเท่านั้นเองนะการรู้สึกเฉยๆนะั้นเป็นการเป็นการละความยึดมั่นปนในตัวแล้วนะเพราะแค่รู้สึกเท่านั้นก็ไม่มีรูปไม่มีรสนะไม่มีกลิ่นไม่มีเสียงเข้ามากระทบในตรงนี้มันเป็นความรู้สึกล้วนๆขึ้นมาเท่านั้นเองนะมันก็ได้ละคายความที่เราไปติด ไปยนะึดในรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายแลายออกไปนะแล้วมันจะเข้ามาเห็นความจริงตรงนี้ว่าเออมันก็ไม่มีอะไรนะรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหมดอตายรูปหูได้ยินเสียงทั้งหลายหลามันก็เข้ามาเป็นแค่รู้เฉยอเป็นแค่รูปแค่น้มที่ปรากฏขึ้นกนะารนี้เราเห็นเสียงต่างๆเนี่ยอย่างเสียงที่ปรากฏเนี่ยมันก็เป็นรูปเสียงนะปรากฏน้ำก็ได้ยินขึ้นมาก็แค่นั้นเองนะไม่ได้ไปกระทบอะไรยินดีกับมันอลิ้นกระทบมันก็เป็นรสรสที่มัน ลถความหวานความเค็มความเปรี้ยวความอร่อยมันก็เป็นรสแต่ใจที่ไปรับรู้มันก็เป็นนามนะมันก็มีแค่รูปแค่นามเท่านั้นที่ปรากฏขึ้นมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่า น, นี้เลยนะจิตจะได้ปล่อยคลายความยึดมั่นในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเป็นหนทางที่แห่งความพน้นทุกข์ที่แท้จริงนะเราฟังซีดีร่วมกัน